ตาฮาเวที่ตังเสย อ, อยแปลว่าชนะตนนั่นแหละเป็นดีชนะใดในมนุษย์ที่สุดสมชื่นอารมณ์ยิ่งนักเป็นหนักหนาชนะภัยผองผานการกีฬามีเกียรติหน้าเพียงชมนิยมยนชนะตัวเองได้ใครจะแมนเป็นดีแสนเลอเลิศประเสริฐผลชนะอื่นหมื่นครั้งยังกังวลชนะตนเป็นหนึ่งพึงเข้าใจ สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการกฎแห่งกรรมผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันด้วยเรื่องสมัยพุทธกาลท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินเรื่องเปรตร้องขอส่วนบุญกับพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพระพุทธเจ้าคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับย้อนหลังกลับไป นานเป็นกลับเป็นกันทีเดียวอตอนนั้นมีพระเจ้าแผ่นดินชื่อพระเจ้าชัยเสนอยู่ในอินเดียนั่นแหล ะ, ะทีน่นี้พระเจ้าชัยเสณเนี่ยมีพระโอรสชื่อพุทธะต่อมาได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในยุคนั้น ทีนี้พระเจ้าชัยเสนนี่เกิดความคิดเห็นแก่ตัวขึ้นมาว่าลูกของเรานี่เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นของเราพระธรรมเป็นของเราพระสงฆ์เป็นของเราเมื่อคิดอย่างนี้ก็อุปถากลูกชายซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยด้วยพระองค์เองทุกวันไม่ทรงยอมให้คนอื่นไปทำบุญอะไรด้วยทีนี้พระพุทธเจ้า พุทธะเนี่ยมีพี่น้องสามคนต่างแม่กันก็คิดว่าถ้าเป็นพระพุทธเจ้าจริงเนี่ยเกิดมาก็เพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกทั้งมวลไม่ใช่ประโยชน์แก่เฉพาะบุคคลคนเดียวและพระราชบิดาของพวกเราก็ไม่ยอมให้โอกาสแก่คนเหล่าอื่นเลยที่จะเข้ามาหามาเฝ้าทำยังไงหนอพวกเรา ได้อุปถักพระพุทธเจ้าแล้วก็พระภิกษุสงฆ์บัณฑพี่น้องทั้งสามองค์ก็มีความคิดเอาเถอะเดี๋ยวจะทําอุบายสักอย่างหนึ่งให้ได้ก็เลยไปสร้างสถานการณ์ชายแดนประหนึ่งว่าเกิดการปั่นป่วนมีข้าศึกจะมารบนะพระราชาก็ส่งพระโอรสั้งสามพระองค์ไปปราบพอพี่น้องทั้งสามไปปราบสงบแล้วก็กลับมา พระราชาก็พอพระไทยก็ประทานพรบอกว่าพวกลูกๆในปรารถนาอะไรก็เอาเถอะจะให้ทุกอย่างพี่น้องน้องสามพระองค์ก็กราบทูลบอกว่าอยากจะเฝ้าดูแลพระพุทธเจ้าพระราชาก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้เรื่องอื่นให้ได้หมดยกเว้นอย่างเดียวเรื่องการการมาดูแลพระพุทธเจ้าพวกเธอไปเลือกเอาอย่างอื่นเถะพระราชบุตรน้งสามว่ากราบทูลยืนยันว่าไม่น่ะไม่ต้องการอย่างอื่น ถ้าจะเอาพระพุทธเจ้าไปดูแลก็ต้องบอกกาหนดเวลามานะพวกราชบุตรก็ทูลขอเจ็ดปีว่าขอให้พระพุทธเจ้านี่ไปอยู่กับเขาเจ็ดนะปีเพื่อจะได้ไปสั่งสอนผู้คนประชาชนประชาชาไม่ทรงอนุ ญ, ญาตต่อรองลงมาหกปีห้าปีสี่ปีสามปีสองปีเหลือแค่สามเดือนถึงได้ทรงอนุ ญ, ญาต พระราชบุตรทั้งสามก็เลยมีโอกาสเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งความ จ, จริงก็เป็นพี่น้องตัวเองก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ปรารนาจะอุปถักพระผู้มีพระภาคเจ้าตลอดสามเดือนอขอได้โปรดไปอยู่กับข้าพระเจ้าเถอะเสร็จแล้วท่านก็รับราชบุตรก็เลยส่งหนังสือไปถึง ในเสมียนชนบทว่าขอให้ท่านจงจัดแจงเรื่องสัมภาระต่างๆสำหรับการอุปถาก์พระพุทธเจ้าสร้างวัดสร้างวิหารอะไรพวกนี้รอรับไปเดี๋ยวจะเอาพระพุทธเจ้าไปไว้สามเดือนในเสมียนก็จัดแจงทุกอย่างราชบุตรทั้งสามก็แจงตัวนุ่งผ้ากาสายะ ก็คือการห่ผมผ้าขาวที่จะคือบอกให้รู้ว่าเป็นผู้ผู้บวชผู้ถือศีลอย่างเงี้ยพร้อมทั้งบุรุษพันคนอ่าพี่มีอ่ า, อานี่มีใจศรัทธาด้วยกันก็พากันไปอุปถกักพระพุทธเจ้าแล้วก็ภิกษุสงฆ์ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็ไปอยู่ด้วยกันด้วยความเคารพอ่า ในสมียนโชนบทซึ่งเป็นผู้ไปสร้างวัดก็ไปบอกกับชาวบ้านบอกว่าพระพุทธเจ้ามาอยู่กับเราแล้วอ่าไปชวนชาวบ้านมาก็มีชาวชนบทประมาณหมื่นกว่าคนนะก็มาจัดงานให้ทานทำโรงทานกันใหญ่โตปรากฏว่าพอถึงวันจริงๆชาวบ้านบางพวกเกิดขัดใจกันขึ้นอ่าทานเทอนี้ไม่ ไม่ไม่ไ ม, ไม่ฟังเสียงแล้วทะเลาะกันแล้วบางทีก็พากันไปกินไอ้เครื่องไทยธรรมถวายพระถวายเจ้าเสร็จแล้วเอาไฟเผาลงครัวด้วยบางคนก็เมาอ่าเสร็จแล้วก็เลยพออยู่ครอบสามเดือนก็พาพระพุทธเจ้ากลับไปอยู่ในวังอย่างเก่าเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพานแล้วทุกคน ไม่ว่าจะเป็นพระราชะบุตรทั้งสามในเสมียนชนบทและผู้มาร่วมงานทั้งหมดเนี่ยก็ตายตามเวลาครับคนเราเนี่ยคนที่ทำบุญก็ไปเกิดในสวรรค์ตามลำดับส่วนพวกที่เป็นพานมาทะเลาะก็ะเข้ามาทำลายเครื่องทายา ร, รมรกินอาหารที่จะถวายพระก็พากันไปบังเกิดในนรกพานไปถึงเก้าสิบสองกับ เสร็จแล้วมาถึงสมัยพระพุทธเจ้าชื่อกัสปะนะพวกพันที่เกิดเป็นเปรตนั้นนะก็มาหาพระพุทธเจ้ากัสปะเพราะว่าตัวเองไม่มีใครทำบุญให้ทานอุทิศให้ถามพระพุทธเจ้ากัสปะว่าข้าแต่พระองค์พวกเราเนี่ยจะได้เสวยอ่า สมบัติอย่างพวกนั้นเขาได้กันมั่งหรือเปล่าพระพุทธเจ้ากัสสาท่านก็บอกว่าดูก่อนเปรตทั้งหลายตอนนี้พวกเธอยังไม่ได้เพราะยังไม่หมดกรรมแต่ในอนาคตเนี่ยในสมัยของพระพุทธเจ้าที่มีชื่อว่าคตมะรรมการนั้นแหละจะมีพระราชานามว่าพิมพิสารพระองค์จะเป็นญาติของเธอพระองค์จะถวายทานแก่พระพุทธเจ้าแล้วก็จะอุทิศ แกพวกเธอพวกเปรตได้ฟังอย่างนั้นก็เกิดความดีใจเหมือนกับว่าตัวเองจะได้รับผลแห่งทานในวันรุ่งขึ้นก็ไม่ปานความจริงมันอยู่อีกตั้งนานเป็นพันๆปีพุทธันดอนหนึ่งผ่านไปพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นราชบุตรทั้งสามบริวารทั้งหลายที่เคยทำบุญสุนทานอะไรต่างๆก็จุติจากสวรรค์แล้วก็มาเกิดเป็นญาติพระพุทธเจ้า อ, อยู่ในกรุงราชคลืบงเกิดในสกุลพราหมณ์บางนะ ส่วนในสมียนที่เป็นคนสร้างวัดเนี่ยในสมัยนั้นนะมาเกิดเป็นพระเจ้าพิมพิสารอ่านะแล้วก็เกิดมาดีๆทั้งนั้นนะนอกจากพวกคนพันนะั้นไม่ได้เกิดเป็นเปรต เ, เสร็จแล้วรงมายังกรุงพราณสีนะเข้าไปในวงัง พวกเปรตญาตของพระเจ้าพิมพิสารก็มารอรับส่วนบุญเพราะว่าพระพุทธเจ้าโคตมะโคดมเกิดแล้วมาหาพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นญาติของตัวแล้วก็หวังว่าพระเจ้าพิมพิสารจะทรงอุทิศผลบุญให้ตามที่พระพุทธเจ้ากาสปะท่านเคยบอกให้ฟังที่นี้ฝ่ายพระเจ้าพิมพิสารพอถวายทานแล้วถวายของพระพุทธเจ้าแล้วก็มัจะยุ่งเรื่องหาสถานที่ประทับประดับประดาให้กับ พระพุทธเจ้าว่าจะทรงประทับที่ไหนดีหนอจะทําปรามยังไงกุติยังไงปรากฏว่าลืมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ก่พวกเปรตญาตเสือสนิทพวกเปรตญาติที่รออยู่เมื่อได้รับไม่ได้รับผลบุญก็เสียใจถึงตกกลางคืนก็พากันร้องโวยหวนหน่าสะบึงกลัวเป็นอย่างยิ่งใกล้ๆกับพระราชวังที่บรรทมเนี่ยพระราชาก็ทรงตกพระไทยรุ่งเช้าเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูลเรื่องเสียงนั้นให้ทรงทราบ พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเสียงร้องนั้นไม่ได้เป็นนิมิตร้ายแต่ประการใดแต่เป็นเสียงเปรตญาติของพระองค์มารอส่วนบุญที่เมื่อวันก่อนนี้พระองค์ถวายทานแล้วก็ไม่ได้อุทิศแก่พวกเขาพวกเขาก็พากันผิดหวังแล้วก็มาส่งเสียงร้องพระเจ้าพิมพิสารก็ตัดถามว่าแล้วถ้าหม่อมฉันถวายทานวันนี้เนี่ยเปรตเหล่านี้จะได้รับหรือเปล่าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าได้สิมหาบาพิษ พระราชาก็ส่งนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระภิกษุสงฆ์มารับพระตาหารในวันรุ่งขึ้นเพื่อจะได้อุทิศส่วนบุญถวายให้เปรตเสร็จแล้วก็จัดมหาทานเตรียมไว้วันรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้ามาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่สเสด็จถึงในพระราชวางังเปรตก็มารอหวังว่าวันนี้พระราชาถวายทานแล้วจะทรงอุทิศผลบุญให้แก่พวกเขาบ้างก็พากันไปยืนอยู่ในที่ต่าง พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงปาฏิหาริย์ให้พระเจ้าพิมพิสารได้ทรงเห็นเปรตเหล่านั้นวิญญาณเหล่านั้นนะเสร็จแล้วก็ให้กรวดน้ำอุทิศนะว่าขอผลแห่งทานนี้จงสำเร็จแก่พวกญาติของข้าพเจ้าด้วยเถอะปรากฏว่าเวลานั้นสะโบขรณีได้บังเกิดแก่พวกเปรต เปรเหล่านั้นก็พากันอาบและดื่มในสระนั้นได้ระงรับความกระวนกระวายความลำบากความกระหายที่เนื้อตัวเป็นแผลเน่าเปื่อยอะไรอย่างนั้นก็หายเป็นผู้มีสีกายดังทองคําเสร็จแล้วพระเจ้าพิมพิสารก็ถวายข้าวยาคูของเคี้ยวของบริโภคกับพระภิกษุแล้วก็อุทิศให้เวลานั้นปรากฏว่าข้าวยาคูของเคี้ยวและอาหารอันเป็นทิพย์ก็ไปบังเกิดแก่เปรตเหล่านั้น เมื่อตอนที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันกรุงสาวัุถีพระองค์ได้ตรัสถึงเรื่องราวของนางเปรตซึ่งเคยเป็นช่างทอผ้าพระองค์เล่าว่าครั้งนั้นมีภิกษุ12รูปเรียนพระกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าแล้วก็พิจารณาถึงสถานที่ที่จะเหมาะสมในการอยู่จำพรรษาตอนนั้นใกล้คขาวรรษาแล้ว ก็เห็นราวป่าหน้่ารื่นรมแห่งหนึง่งสมบูรณ์ด้วยร่มเงาต้นไม้แหล่งน้ำก็สะดวกสถานที่ออกบินธบาทก็อยู่ไม่ไกลก็พากันพักที่นั่นคืนหนึ่งรุ่งเช้าขึ้นก็ไปบินทบาศยังหมู่บ้านช่างทอผ้าสิบเอ็ดคนซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนั้นช่างทอผ้าเหล่านั้นเห็นพระแล้วก็เกิดความยินดีก็นิมนต์ไปที่บ้านของเขาตัวเพื่อถวายอาหารพอถวายอาหารแล้ว ก็ได้ถามความประสงค์ทราบว่าพระในกำลังหาที่พักจำมันสาด้วยก็เลยพร้อมใจกันนิมนต์ให้พักจำมันสาที่นั่นโดยมีอุบาสกอุบาสิกาสิบคนรับที่จะสร้างกุฏิให้ท่านพักองค์ละหลังส่วนหัวหน้าช่างทอผ้าคนเดียวรับสองหลังก็ครบภิกษุสิบสองรูปแต่ละคนก็พากันอุปถัมภ์คนละรูปฝ่ายภรรยาหัวหน้าช่างทอผ้านางคนนี้ ใจคอไม่มีศรัทธาอะไรบุญทานไม่ทําทั้งนั้นไม่มีความเลื่อมใสเป็นคนประณีเป็นมิจฉาทิฐินะสามีทําอะไระะได้ให้พระแกไม่ทําแกไม่ให้ความร่วมมือในการอุปถัมภ์พระสามีก็เลยต้องไปเอาน้องเมียมาช่วยเมื่อเมียไม่ช่วยนี่นะไปเอาอเมียอ่าน้องเมียมาช่วยฝ่ายน้องเมียมีความเคารพศรัทธาเลื่อมใสพระเขาก็มอบความเป็นใหญ่ ก็เลยม้อความเป็นใหญ่ในการเลี้ยงพระให้แล้วก็นางก็ได้จัดการให้อย่างเรียบร้อยน้องเมียเนี่ยช่างทอผ้าทั้งหมดต่างก็พากันถวายผ้าสาดกแก่ภิกษุผู้จำพรรษาเหล่านั้นรูปละผืนฝ่ายเมียหัวหน้าช่างทอผ้าซึ่งมีความตนีมีจิตชั่วร้ายก็โมโหอาด่าว่าสามีของตัว บอกว่าข้าวกับ น, น้ำที่แกให้พระกินพวกนี้แกอยากจะได้ชาติน้าใช่ไหมชาติน้ามันก็เป็นอุจระไปแล้วอุจระภาวะหนองเลือดนะแล้วก็ไอ้ผ้าสาดกที่แกถวายนะชาตินานเป็นแผ่นเหล็กลุกโพลงร้อนตลอดเลยการต่อมาถึงเวลาวาระทุกคนก็ตายไปตามกรรมของขตัว ช่างทอผ้าซึ่งเป็นหัวหน้านี่ไปเกิดเป็นรุกขเทวดามีอนุภาพส่วนภรรยายงี่เง่านี่ไปเกิดเป็นเปรตอยู่ไม่ไกลาจากลุกคเทวดานั่นแะนางเปรตเปลือยกายรูปร่างฮีเรมีความหิวกระหายอยู่ตลอดเวลาก็ไปหารุกขเทวดาผู้เป็นอดีตสามีแล้วก็บอกนายฉันไม่มีผ้านุ่งผ้าหม่มฉันหิวเหลือเกินขอผ้าขอข้าวขอน้ำกับฉันด้วยเถอะ ฝ่ยรุกอติวดาก็จำนางได้ก็เกิดความสงสารว่านี่เมียเก่าก็เลยเอาข้าวเอาน้ำไปให้นางเปรตกินปรากฏว่าอาหารเหล่านั้นก็กลายเป็นอุจจระปัสสาวะเป็นหนองเป็นเลือดพอเอาผ้าสาดกไปให้นางนุ่งห่มผ้าก็กลายเป็นแผ่นเหล็กลุกแดงนางเปรตได้รับทุกขเวทนาแสนสาหาัสก็รีบสลัดผ้าทิ้งในทันทีแล้วก็วิ่งร้องโหยหวนต่อไปในสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งออกพรรษาแล้ว เดินทางไปเพื่อจะเฝ้าพระพุทธเจ้าพอเดินทางมาถึงดงที่วาเนี่ยที่ลุคเทวดาอยู่เนี่ยก็พักอยู่ในดงโดยไปพักที่โคนต้นไม้วิเวกแห่งหนึง่งปูผ้าลงแล้วก็นอนหลับไปหมู่เวียนก็เดินทางต่อไปไฝ่ภิกษุนอนพักเหนื่อยไปตื่นนึ่งพอตื่นขึ้นมาไม่เห็นหมู่เวียนที่มาด้วยกันก็เดินทางหลงเข้าไปถึงที่อยู่ของลุกเทวดา ลูกเทวดาเห็นพระภิกษุแล้วก็แปลงรูปเป็นคนเข้าไปหาภิกษุไปแสดงความคารวะแล้วก็นิมนต์ให้เข้าไปอย่างวิมานของตัวถวายยาทาเทา้าในขณะนั้นนางเปรตก็เข้าไปหาเทวดาไปขอข้าวขอน้ำขอผ้าอีกเขาก็เอาข้าวเอาน้ำและผ้ายื่นให้พอนางรับข้าวก็กลายเป็นอุจจาระน้ำก็กลายเป็นปัสสาวะเป็นหนองเป็นเลือดผ้าก็กลายเป็นแผ่นเหล็กที่ลุกชน ตามที่ตัวเองเคยสาบเคยแช่งเอไว้ภิกษุท่านเห็นอย่างนั้นก็เกิดความสลดใจก็ถามถึงสาเหตุในอดีตชาตินะสามีก็เล่าให้ฟังว่าภรรยาเป็นคนอย่างเนี้ยแล้วก็พอตายมาแล้วก็มาเป็นอย่างเนี้ยนะกาถามว่าท่านขอรับท่านมีอุบายอะไรที่จะทําให้นางเปรตภรรยาผมพ้นสภาพนี้ได้บ้างหรือเปล่าพิกษุท่านก็บอกว่ามีอยู่บาสก ถ้าท่านถวายทานแก่พระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงฆ์หรือแก่ภิกษุรูปเดียวก็ได้แล้วอุทิศผลแก่นางเปรตนี้นางเปรตจะได้รับอนุโมทนาแล้วนางเปรตก็จะพ้นจากสภาพนี้ได้นะคือแทนที่จะให้กับนางเปรตโดยตรงนะี่เขารับไม่ได้ต้องเอาของเนี่ยถวายพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงฆ์หรือพระสงฆ์นะแล้วก็พระสงฆนะ์น่ะ ท่านอุทิศให้นะอันนี้ถึงจะได้ฝ่ายสามีก็เลยถวายข้าวและน้ําอันประณีตแก่พิสูจนนั้นแล้วก็อุทิศผลนั้นแก่นางเปรตท่านใดนั้นเองนางเปรตก็มีจิตใจอิ่มเอิบ ม, มีร่างกายผ่องใสกระปรี้กระเปล่าอิ่มด้วยอาหารอันเป็นทิพย์นะเทพบุตรซึ่งเป็นสามีก็ถวายผ้าทิพย์ในมือของพิสูุนนั้นอุทิศแด่พระพุทธเจ้าและอุทิศผลแก่นางเปรต แล้วเวลานั้นเองนางเปรตก็นุ่งผ้าทิพย์ประดับเครื่องประดับอันเป็นทิพย์ตั้งพร้อมด้วยสิ่งที่ปรารถนาทั้งปวงนางก็กลายเป็นเทพอับสอนฝ่ายภิกษุนั่นก็ได้เดินทางไปถึงกรุงสาวัตถีด้วยอนุภาพของเทวดาใจบุญนั้นก็เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในวัดเจตวันถวายบังคมแล้วก็ถวายผ้าสาดกที่เขาถวายมา กราบทูลความนั้นทั้งหมดพระพุทธเจ้าก็ทรงนำเรื่องนี้เป็นเหตุแล้วก็แสดงพระธรรมเทศนาชื่อว่าอัฏฐกถามหาเปสการเปติวัตุนะครับนั่นเป็นเรื่องจากสมัยพุทธกาลครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ สมัยศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัทสปะมีพระเทรีรูปหนึ่งชื่อพระเทรีอัถกาสีเธอเกิดในตระกูลของคนมีทรัพย์มากพอรู้ความแล้วคือโตโจนรู้เรื่องบรรลุแล้วก็ไปฟังธรรมในสำนักของภิกษุณีทั้งหลายก็เกิดความศรัทธาแล้วก็ออกบวช แต่ท่านได้ด่าพระเถรีผู้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งว่าอีแพทย์สยาเมื่อท่านได้ละจากสังขารในชาตินั้นแล้วต้องไปหมกไหมอยู่ในเมืองนรกจนถึงพุทธกาลท่านหนึ่งได้เกิดในในตระกูลเศรษฐีมีสมบัติมากในแคว้นกาสีแต่พอเจริญวัยแล้วก็ต้องตกจากตระกูลมาเป็นหญิงแพทย์สยาคือหญิงโสเณีมีชื่อว่าอัตกาสีนะ ขั้นต่อมาเธอมีศรัทธาปรารถนาจะไปบวชเป็นภิกษุณีในสำนักของพระพุทธเจ้าที่นครสวรรค์แต่พอพวกนักเลงรู้ข่าวว่าเธอจะเดินทางไปเขาก็ไปดักปล้นอ่าจัปล้นกลางทางเธอก็เลยส่งทูดไปบวชแทนพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องก็ทรงอนุญาตให้จะทำการบวชทูดได้พอบวชแล้วไม่นานท่านได้เจริญวิปัสสนาบรรลุพระอรหันต พร้อมทงอางมีบันทึกไว้ว่าในพัทรกับนั้นมีพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะประเสริฐกว่าพวกบัณฑิตทั้งหลายเสด็จอุบัติแล้วครั้งนั้นข้าพเจ้าบวชในาศาสนาของพระพุทธเจ้านั้นอันนี้หมายถึงตัวของพระเถรีอัตตกาสีได้บันทึกไว้เองว่าครั้งนั้น ข้าพเจ้าบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้านั้นสัมรวมในปาติโมกและอินทรีห้ารู้ประมาณในอาหารประกอบความเพียรตื่นอยู่บำเพ็ญเพียรอยู่ตลอดแต่ข้าพเจ้ามีใจชั่วด่าภิกษุณีผู้ปราศจากกิเลสในคราวนั้นว่าอีแผสยาข้าพเจ้าต้องหมกไม้อยู่ในนรกเพราะบาปกรรมนั้นข้าพเจ้าต้องไปเกิดในตระกูลหญิงแผศยาต้องอาศัยผู้อื่นอยู่ตลอด และในชาติหลังข้าพเจ้าไปเกิดในตระกูลเศรษฐีแคว้นกาสีมีรูปสมบัติงดงามเหมือนกับอักษรในเทวโลกด้วยผลแห่งพรหมจรรย์มหาชนทั่วไปเห็นข้าพเจ้าสวยงามหน้าทัศนาจึงตั้งไว้ในตำแหน่งหญิงแพรสยาประจำกรุงราชครือันอุดมเพราะผลที่ข้าพเจ้าด่าภิกษุนีข้าพเจ้าได้ฟังพระสัจธรรมอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าตรัสแล้วสมบูรณ์ด้วย บุพพวาสนาได้บวชเป็นภิกษุณีเมื่อเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อจะอุปสมบททราบข่าวว่าพวกนักเลงดักอยู่กลางทางจึงได้อุปสมบทโดยทูตกรรมทุกอย่างทั้งบุญและบาปหมดสิ้นไปแล้วข้าพเจ้าพ้นสงสารทั้งปวงแล้วความเป็นหญิงแพรยเสยาก็สิ้นไปแล้วข้าแต่พระมหามุนีข้าพเจ้ามีความชนานาญในอิทธิฤทธิ์ทั้งหลาย และทิพยโสธาตมีความชำนาญเจโตปริยัณข้าพเจ้ารู้บุพเพนิวาสานุสติยานและทิพยจักษุอันหมดจดวิเศษมีอาสวะทั้งปวงสิ้นแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีแก่ข้าพเจ้าแล้วครับนี่บันทึกมาจากหนังสืออัตฐกถาอัฏฐกาสีเทรีคาถานะครับที่อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มห้าสิบสี่ สาระจากเรื่องนี้ท่านดูฟังสอนให้รู้ว่าการทำอย่างนี้บาปบบาปากเพียงแต่ไปกล่าวคำว่าอีแพทยาเท่านั้นต้องไปตกนรกต้องไปเกิดเป็นหญิงโสเป น, นีเป็นอีแพศยาจนชาติสุดท้าย <c oughs> เหตุที่ท่านต้องรับผลกรรมแรงก็เพราะท่านไปด่า ว, ว่าพระอรหันต์หญิงซึ่งเป็นผู้ที่หมดกิเลส ต, ตัณหาแล้ว <c oughs> ที่นี้ คติจากเรื่องนี้ก็ขอให้ชาวพุทธเราควรจะระวังปากอย่าได้เที่ยวไ้ว่าพระรูปนั่นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยการเห็นแต่กิริยาอาการภายนอกของท่านที่ไม่ถูกใจเราถ้าเกิดว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ถึงไม่ถึงกับเป็นพระอรหรันตก็บาปมากอยู่แล้วแต่ถ้าจะเป็นพระอรหันต์ด้วยทีนี้บาปไม่ต้องคุยกันเลยแล้วครับแล้วอนุสติข้อที่สองก็คือโสเพณีไม่ได้ต่ำอย่างที่คิด หญิงแพทย์สยาหรือว่าโสเภณีในสมัยพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้ตำต้อยอย่างปัจจุบันเพราะถ้าไม่สวยงามเลศจริงแล้วก็ไม่มีสิทธิจะได้รับตำแหน่งนี้ก็คิดดูถ้าขนาดพระเจ้าเป็นดินเช่นพระเจ้าพิมพิสารก็ยังทรงไปเป็นลูกค้าจนได้พระโอรสจากโสเภณีก็มีมาแล้วแล้วข้อที่สามค น, นจะสวยเพราะศีลพระอัฏฐกาศีเถรี ในอดีตชาติท่านเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์สำรวมในปาติโมกสำรวมอินทรีย์คือมีศีลอันดีตลอดเพราะฉะนั้นเมื่อท่านมาเกิดในชาติสุดท้ายก็มีรูปสมบัติสวยงามปานเทพอักษรในเทวโลกมหาชนเห็นแล้วก็พอใจแต่บาปกรรมที่ตามมาก็คือปากบาปที่เกิดจากปากเนี่ยถึงจะสวยงามเลิ่เล อ, เล อ, เลอแค่ไหนก็ไม่พ้นเป็นหญิงแพรยาประจำเมือง สตรีใดหวังจะให้ตนสวยงามตามธรรมชาติก็ควรจะรักษาศีลให้มั่นเขาไว้อย่างน้อยก็ศีลห้าและในโอกาสถ้ามีนะก็ควรจะรักษาศีลแปดด้วยรักษากรรมบทสิบด้วยจะเป็นการพัฒนาชีวิตที่ครบวงจรคือพัฒนาทั้งกายทั้งวาจาและใจไปพร้อมๆกันเลยทีเดียวละครับเวลาหมดจะเริ่มทมูฟัง ก่อนจากกันวันนี้ขออ้างเอาพุทธพจน์ว่ารับพังเพทะปริยนตังเอวังมัจจานะชีวิตตังแปลว่าชีวิตของสัตว์เหมือนภาชนะดินซึ่งล้วนมีความสลายเป็นที่สุดภาชนะแห่งดินสิ้นทั้งนั้นไม่นานวันต้องแตกแยกสลายชีวิตสัตว์ทั้งนั้นก็พลันตายแตกทําลายเหมือนกันเช่นนั้นแหลอนิจจังสังขารคือบ้านโรค มีทุกโศกเสื่อมซามตามกระแสพระไตรลักษ์หลักดันให้ผันแปร ى. ไม่เที่ยงแท้แตกดับไปลับตาสวัสดีครับ